แล้วก็เอาไปใช้ได้ดีนะทีนี้ในเส้นทางของจิตเนี่ยมันก็จะมีสองเส้นทางนะถ้ามันไม่เดินไปในเส้นทางของความคิดและอารมณ์มันก็จะเดินไปเส้นทางของความรู้นะทีนี้ตลอดเวลาในจิตของเรามาจะเป็นเส้นทางของความคิดและอารมณ์เป็นประจำทีนี้เรามาจเจริญ สติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราได้ได้เส้นทางบนเส้นทางของความรู้ในความรู้เดียก็มีสองอย่างในความรู้ที่เป็นสมมติและความรู้ที่เป็นประมัด ท, ท, ท, ท, ที่เราจะรู้ได้ไงว่าความรู้ที่เป็นสมมุติประมัดเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นทางของความคิดอีกเส้นหนึ่งตรงนี้สําคัญเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องจับหลัก ให้ชัดๆว่าให้ทําอารมณ์และความคิดทั้งหมดให้มันย่อเหลือสั้นที่สุดที่หลวงพ่อเทีนท่านกล่าวในประโยคสุดท้ายว่าให้รู้จากวัตถุประมัตอาการอือหมอายกวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะย่อเหลือแค่าสามแต่ตรงนี้ถ้าเราฟังไม่เข้าใจก็จะลําบากวัตถุประมัตอาการนี่ไมายความว่าเป็นเหมือนเหลือสามปิดกจริง วัตถุคืออะไรปรมัตดคืออะไรอาการคืออะไรอือย่ออริยสัจเหลือสามย่อพุทธธรรมเหลือสามแล้วก็ทําให้เราปฏิบัติได้ถ้าเข้าใจนะมันก็จะปฏิบัติได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจก็จะยากอยู่วัตถุคือหมาอสิ่งที่เป็นสมมติทั้งหมดอ่าในส่วนที่เป็นปรมัตด คือส่วนที่เป็นปรามัตดทั้งหมดอาการหมายถึงสมุทัยทั้งหมดนะวัตถุปรามัดอาการ mm. ก็วัตถุก็คือทุกสมุทัยก็คืออาการนีโลดและมรรคก็คือตัวปรมัดอะไรวัตถุปรามัตดอาการนะที่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะยืนบนเส้นทางอันไหนนะว่าในเมื่อ ร่างกายและความทุกข์ที่ปรากฏนี้เป็นวัตถุวัตถุคือในสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังนาตาพอวัตถุนี้มันเป็นไปตามกฎสามประการกฎใจรักนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการอาการของการเปลี่ยนแปลงอาการของการาเสื่อมสลายและอาการของการแตกดับนี้เรียกว่าเป็นอาการทั้งหมด <c oughs> นี่ถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ย มันเป็นไปในอาการหรือเป็นไปในปรมาทิศถ้าเป็นไปในอาการคือไหลไปตามความคิดไหลไปตามความเปลี่ยนแปลงไหลไปตามความทุกข์ไหลไปตามความปุงแต่งนี่ก็ไหลไปตามสมุทัยก็จะต้องออกผลมาเป็นทุกข์แล้วก็จริงวัตถุจริงๆเนี่ยมันก็เป็นปรมาทิศเหมือนนะเพราะว่าในตัวปรมัติศมันมีสี่นะจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือว่าปรมัติศ เพราะนั้นรูปก็ยังเป็นปรมัตดได้วัตถุมันก็เป็นปรมัตดวัตถุปรมัตดแต่ตัวสาคัญคือตัวอาการนะคือหมายถึงว่าอาการที่ปรากฏเนี่ยที่เราดิน้นดนวัดแกว่งขวัญควายเป็นเรื่องของอาการทั้งนั้นนิ่ถ้าสมมุติว่าเราเจรเิญสติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปรมัดไอตัวปรมัดนี่ต้อง เป็นเข้มแข็งในฝ่ายในฝ่ายดับทุกข์เพราะตัวอาการนั้เป็นโดยสมุทัยในวัตถุเป็นต้นเหตุจะว่าเป็นต้นเหตุก็ไม่ใช่เป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งมันอาจจะเป็นสมมุติก็ได้เป็นปรมัตดก็ได้วัตถุตัวนั้นเป็นได้ทั้งสมุติและเป็นได้ทั้งปรมัตดเมื่อเราไม่ทันอาการ ตรงนี้ดีนะเมื่อเราไม่ทานาการของนิจังทุกขังธนั้นตาวัตถุตัวนั้นก็เป็นสมมุติคือหมายความว่ามีวัตถุตัวน้นกลายเป็นอารมณ์เรียก ว, วัตถุอารมณ์แต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอาการของการเปลี่ยนแปลงอนิจังทุกข์ขนธ์ตาทุกริยะไปนั้นวัตถุตัวนั้นก็กลายเป็นปรมัตา์เนี่ย ดนในจุดปฏิบัติของเราก็คื อ, อให้ ร, รู้เท่าทันตัวสมูทยัยคือรู้ اد, เท่าทันเหตุเกิดทุกเหอนิจจังทุกขังนราธาเป็นเหเนะนเนตุกาา เ, เกิดทุกในฝ่ายที่เป็นรูปและอนิจจังทุกขังนราตาเนี่ยเหตุเกิดทุกในฝ่ายที่เป็นรูปในฝ่ายที่เป็นนามก็คือตัวตันหานะก็เลยนามมารูปนะรูปนามก็เป็นอนิจจังทุกขังนราตา ให้ตัวดันหายเองก็เป็นอาการเขาหนี้จังทุกครั้งหน้าตาเองแต่ว่ามันเป็นอาการทางน้ำํำรู้อาการอย่างนี้แล้วเราก็จะดูอาการตลอดเวลาเอาอะไรมาดูเอาตัวปรมัตดมาดูปรมัตดคืออะไรคือตัวรู้เราก็มาสร้างตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ที่เกิดขึ้นตลอดนั้นเป็นตัวปรมัตดแต่ตัวรู้มีสองอย่างหนึ่งตัวรู้ที่เป็นอวิชชา หรวเป็นสัญชาตญาณเป็นตัวรู้ที่เราไม่ได้จงใจรู้ไม่ไดมีเจตนารู้มันรู้ที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณรู้ไปตามอาการที่มันพาไปอตัวรู้ตัวนั้นไม่มันก็เป็นตัวสมุทัยอีกตัวหนึ่งตัวรู้ตัวนั้นและตัวรู้อีกตัวหนึ่งตัวรู้ที่เป็นตัวปรมัตอด ก็คือตัวรู้ที่เราเห็นอาการรู้อาการที่เป็นไปเป็นทู่รู้ว่างั้นเด้อไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกรู้อ่ารู้ที่เป็นสมมุติคือรู้ออกไปนอกตัวแต่รู้ที่เป็นปรมัตต์รู้กลับเข้ามาในตัวทีนี้ทําไมผู้ปฏิบัติจึงไม่ชอบรู้กลับเข้ามาในตัวก็เพราะว่า มันมาชื่อของจริงของจริงที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันคืออะไรเกินออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตัวนิจจังทุกขังอนัตตา น, นี้เป็นของจริงที่มีอยู่แต่จิตมันไม่ชอบเพราะอะไรเพราะจิตมันไปอยู่กับของเทียมมาตลอดพบชาติกับกันมามันเลยติดไปติดของเทียมเพราะไม่อยู่ของจริงมันอยู่ไม่เป็นดีนี้มันก็ทุก นะทีนี้เราก็มาสร้างตัวปัญญาขึ้นเพื่อที่จะอบรมจิตให้มีความเห็นถูกการที่จิตไปชอบของเทียมคือชอบสมมุตินะ่ะมันเป็นความเห็นผิดเพราะของเทียมนั้นจะไปไปตามกฎของนิจางทุกขณรตามันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแตกดับไปแต่จิตมันกลับไปชอบเหมือนเรากินผักกินผักสดกับแกงผักนี่ ชอบกินอะไรมากกว่าหอยยัดรสเพราะอะไรนั<ง>่นของเทียมใช่ไหม <laughs> มันไม่ใช่ออแกนิกแล้วมันถูกโปรเซสต์ไปแล้วกลายเป็นของเทียมไปแล้วผักแท้ๆพอไปโปรเซสต์ปั๊บก็กลายเป็นของเทียมไปแต่กินผักออแกนิกมันไม่อร่อยใช่ไหมแต่เป็นของแท้คนก็ไม่ชอบกินนะนั้นอันนี้เหมือนข้าวคนก็ไม่ชอบกิน แต่ชอบกินข้าวที่มีกลับนะดังนั้นเองจิตของเราไปอยู่กับรสชาตินะรสชาติคือรสชาติคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตเราไปคุ้นเคยเสบคุ้นอย่อยางนั้นตลอดพบเจอรชาติกับกันเขาจึงเรียก ว, ว่ารสชาตินี่ก็เรียก ว, ว่าตันหาจิตของเราไปเสบคุ้นกับตันหาจนเป็นนิสัยนั้นเมื่อเรามาดึงอยู่กับภาวะที่มันไม่มีตัญหาเป็นตัวรอดเนี่ยจิตจึงไม่ชอบจิตจึงดิ้นรนจิตจึง ไม่เอานะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ยากตัวนี้เองคือหมายความว่าเราจะให้จิตกลับมาอยู่กับของจริงคือภาวะที่มันเป็นจริงเนี่ยแต่จิตเขาไม่คุ้นเพราะนั้นเราจึงสร้างปัญญาขึ้นเพื่ออบรมจริตที่เราสร้างตัวรู้เนี่ยนะคือสร้างปัญญานะเพื่ออบรมจริตให้จิตมาเห็นถูกว่าตัวภาวะที่ปรากฏอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี่เป็นภาวะที่อ่า เดิมแท้คือภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าชีวิตมันอา จ, จะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังทุกขังหน้าตาภาในฝ่ายรูกแต่ในส่วนนามถ้าหากว่าเราเข้าไปรู้เท่าทันแล้วนามตัวนั้นก็สามารถอยู่เหนืออ น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้นะแล้วนั้นเองตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องอบรมจิตอยู่เสมอการอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่เป็น paramat ก็คือให้จิตมันกลับมาอยู่กับตัวเองนั่นแหละ เมื่อไรจิตมาอยู่กับตัวเองปั๊ปัญญาปรมัตถ์ฝ่ายฝ่ายปัญญาปรมัตถ์เกิดนะแต่ถ้าหาเมื่อไรจิตยังไม่ชอบที่จะอยู่กับตัวปัจจุบันคือตัวปรมัตต์ตัวนี้จิตยังแฉลับออกไปอยู่กับอารมณ์และความคิดอยู่นั่นก็แสดงว่าจิตนั้นยังไม่เข้มแข็งพอปัญญายังไม่สามารถอบรมให้จิตเข้มแข็งพอจิตนั้นก็ยังอ่อนอยู่ที่จะแฉลับไปอยู่กับความคิดและอารมณ์ เพาหน้าที่ของเราคือต้องทําความเพียรให้มากขึ้นเห <c oughs> มือนกับช่างตีเหล็กนี่นะทําไมเขาจึงเล่งไฟอทําไมจึงไม่เอาเหล็กไปตีเป็นมีดเลยทำไมต้องเผาก่กนกน อ, อนออเพราะอะไเผาไฟได้เผาเกาเหล็กมันนอนแล้วต้องเผ <c oughs> าให้มันแข็งไงเผายิง่งยิ่งร้อนแรงเท่าไรก็ยิ่งแข็งไปชุบมันมันแข็งอย่างนั้น จิตของเราเมือนกันถ้าหากว่าเป็นจิตดิบๆจิต ท, ที่มันยังไม่ได้ถูกอบถูกลมถูกเพ่งถูกเผาถูกล้อมเนี่ยเป็นจิต ท, ที่อ่อนเมื่อจิต ท, ที่อ่อนแล้วเวลาเอาไปใช้มันก็บูดก็เบี้ยวหมายถึงว่าเมื่อจิตของเราถูกอะไรมากระทบก็บูดก็เบี้ยวเขาว่าก็บูดเขาว่าก็เบี้วยวอะไรใช่ไหม เขาทัวอะไรกระทบในฝ่ายที่ดีเนี่ยก็ชอบในฝ่ายที่ไม่ดีก็ไม่ชอบมันจะบูดเปี้ยวไปตามสิ่งที่กระทบแต่พอจิตนั้นได้ถูกปัญญาอบรมบ่อยเข้าเบื่อเข้าจิตนั้นก็จะแข็งพอจิตแข็งนี่อะไรมากระทบก็เฉยนะอะไรกระทบก็ไม่บูดไม่เวิวไม่ไมสแสดงอ า, อาการไม่มีอาการยังแข็งเป๊กอยู่นั่นเรียกว่าจิตนั้นถูกปัญญาอบลมเข้มแข็งแล้วจิตนั้นก็จึงอ เรียกว่ามีปรมัดมากขึ้นเรื่อยๆ ย, ยิ่งนิ่งยิ่งทนต่อการกระทบได้มากเท่าไหร่จิตนั้นก็มีปรามัดสูงขึ้นเรื่อยๆมีมีปรมัดสูงขึ้นอาการที่มันเสมือนสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็ทําอะไรกับจิตแบบนั้นไม่ได้อาการที่เป็นสมุทัยของทุกข์ก็ไม่มี ไม่มีอำนาจที่จะมาเปลี่ยนแปลงจิตอ น, นั้นได้เมื่อนเนื้อไม้แต่เข้มแข็งแล้วอย่าคุณจะไปฟันอะไรคุณจะไปกระทบอะไรมันไม่บินไม่บานไม่บ้างอ่ามีเชนั้นก็ควรแก่การงานจิตก็เหมือนกันจิตที่จะอยู่ในโลกได้เนี่จะต้องแข็งที่สามารถตั้งรับการกระทบได้ทุกรูปแบบจิตชนิดนั้นจึงเหมาะควรแก่การงานดันั้นคนที่จะทําอะไรมากที่สคือคนที่ปฏิบัติธรรมเข้มแข็งแล้วจะทํางานได้เยอะที่สุดเพราะสามารถตั้งรับการกระทบได้ทุกเรื่อง แต่คนที่ปฏิบัติน้อยหรือปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นจิตยังอ่อนอยู่ทาอะไรก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบนั้นก็ไม่เอานั้นก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจเขาว่าก็ไม่ได้เขาเตือนก็ไม่ได้เขาสอนก็เบี้ยวหมดนี่คือจิตนั้นยังอ่อนเพราะว่าตัวปัญญาประมัตดไม่เข้าไปอบรมให้เข้มแข็งนี่จึงมีส่วนสําคัญที่เราปฏิบัติทํากันด้เพื่ออะไร เพื่อให้จิตเข้มแข็งจิตแข็งเพื่อเพื่อจะช่วยทำงานให้กับโลกนี้ได้อย่างมากช่วยคนอื่นได้มากอ่าแต่ถ้าหากว่าจิตแล้วไม่แข็งพอเนี่ยไปช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้วิธีช่วยเมื่อไม่รู้วิธีช่วยเกิดช่วยเขาไปสี่สบาเขาตีกลับแั้นเราก็ท้อแล้วแต่ถ้ารู้จกวิธีช่วยนี่คนที่รับการช่วยเหลือก็พอใจเราก็สบายใจ การรู้จักวิธีช่วยแล้วก็ได้รับผลดีนี่ก็คือตัวปัญญาแต่แน่นอนการช่วยคือการทํางานกับโลกเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบเหมือนกับเอามีดไปถางป่าไม่ใช่ว่ามันจะฟันแต่ไม้อ่อนไม้แข็งในที่ไม่เจอไม่แข็งก็ไเจอหินเข้าไปอีกอมีดเดียันคำพูดกายวาจาใจแล้วมือกันที่เราอยู่ในโลกเนี่ยที่เราจะแก้ไขอะไรปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาง่ายๆมันอย่างปัญหา ย, ยาก ถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งพอเราก็ถูกกระทบถูกเบียดถูกอะไรต่างเบี้ยวบูดไปก็มีแต่ถ้าสมมุติเราเข้มแข็งพอเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรือบางทีบิดนิดหน่อยก็ไปรับเสียหน่อยเนาะอไปฝนเสียหน่อยมันก็กลับดีเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่อบรมดีแล้วเป็นจิตที่นําสุขมาให้ที่อบรมด้วยอะไรอบรมด้วยปรมาธิอบรมด้วยวิปัสสนา เพราะนั้นจึงทําให้มากเอาไว้พ ร, ระวิตาพหูลีกะตะทําให้มากมากทำให้บ่อยๆทําให้เนืองเนืองทำแล้วมันจะรู้จะเห็นนั่นแหละมันไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหไอ้จริงที่มันซื่อๆนั่นแหละนันแสดงมันถูกละมันรู้แต่เมื่อเอาไปใช้นะแต่ถ้าหาเรารู้เห็นนั่นนเยอะแยะแต่เวลาไปใช้มามันบูดมาเบี้ยวอันก็เห็นแต่ของปลอมไม่จะเห็นของจริงนั้นพวกนั่งวิปัสสนานั่งสมถานุเห็นนั่นเห็นนี่ แต่พอเวลาไปกระทบอารมณ์แล้วทนไม่ได้การเห็นแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่เห็นของจริงนะาการปฏิบัติไปซื่อๆทนไปสู้ไปทนไปสู้ไปเป็นวันๆนี่แหละแต่พอไปกระทบอารมณ์แล้วจิตมันั้งมัน่นจิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตมันเย็นนั่นของจริงนะแต่ถ้าหากว่าไปกระทบอารมณ์แล้วสถานหวั่นไหวเกิด ค, ความโดดเดียเ่ยวเปลียวเหงาไม่มั่นใจหวั่นไหว โลกกรรมำนั้นแสดงว่าจิตของเราอย่างอบ่มยังไม่ดีก็ยังหวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบนะเพื่อนั้นที่เราปฏิบัติมเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ได้ดีที่สุดและให้ได้มากที่สุดช่วยไปทาไมก็เพราะว่าเราเป็นหนี้โลกอยูนะ่เราอยู่มาได้วันนี้เพราะเราได้รับการช่วยเหลือมาจากผู้อื่นจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ า, จาก บ้านจากเมืองจากประเทศจากโลกหลายคนคนเราจะอยู่ได้อย่างนี้นะเราก็เป็นหนี้คนเหล่านั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เราก็เป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราก็ในเมื่อเราเข้มแข็งมาแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นเขาเพื่อเราจะเพิ่งหนี้ไปเพิ่งหนี้นั้นไปในที่สุดเมื่อเราทําช่วยเหลือคนอื่นได้มากที่สุดแล้วเราจะรู้สึกเป็นอิสระหมายความว่ามีความเป็นอิสระไม่รู้สึกว่าเป็นหนี้ใครแต่คนที่รู้สึกว่าเป็นหนี้เนี่ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องหาเรื่องทำหาเรื่องทหานี่ทำไปเรื่อยพ้นเป็นหนี้อ่แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหนี้แต่ว่าไอ้ความอยากข้างในมันต้องการที่จะทำแต่ถ้าหากว่าเราคนที่พ้นหนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็อยู่สบายหรือจะทำก็ทำแบบสบาย <c oughs> ไม่ได้ทำแบบถูกเขี้ยวเข็นให้ทำทำแบบสบายทำก็สบายไม่ทำก็สบายทำก็ทำได้ดีไม่ทำก็อยู่ได้ดีเรียกว่าเป็นอิสระ ในพุทธศาสนาเราถึงสอนให้หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากการามีบังคับของตันหา่าเราอยู่เฉยๆก็ไม่มีตันหามาบังคับเราจะทํางานก็ไม่มีตันหามาบังคับทํางานก็ทําได้ดีก็ทําด้วยความสบายทําด้วยความสุขสิ่งที่ทํามาก็เพื่อเป็นประโยชน์แต่ไม่ทําก็อยู่สบายนะก็ไม่มีใครมาบังคับให้ทํา ที่จะทำก็ไม่มีบงังไม่บังคับให้ทำแต่ก็ทำด้วยความาเมตตาปรารถนาดีที่จะช่วยโลกลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพ้นจากอานาจของการทันหาเพราะเราได้หายหนี้แล้วหนี้คืออะไรหนี้ก็คื อ, คอว่าเราได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่หลายภูมหลายชาติหลายกับหลายการไอการที่เราไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่ช่วยเหลือได้หลายทางช่วยเหลือด้วยวัตถุ ก็มีช่วยเหลือด้วยธรรมก็มีช่วยเหลือด้วยปัญญาก็มีแต่บรรดาช่วยเหลือที่จะพ้นนี่ให้ไว้ที่สุดก็ช่วยเหลือด้วยธรรมช่วยเหลือด้วยปัญญาช่วยเหลือน้อยแต่ได้หรือว่าหาเงินน้อยแต่ว่าหาเงินใช้เวลาน้อยแต่ได้ไดผลเยอะนะนั่นเองการปฏิบัติธรรมของเราจะมีความหมายอย่างนี้นะความหมายเพื่อให้เราเข้มแข็งความหมายเพื่อให้เราทําอะไรปวดเพลิง ความทุกหนี้สินทางคุณทางด้านจิตใจได้เยอะๆความหมายเพื่อเป็นอิสระหลุดพ้นจากความผูกพันของความอยากแต่นะาหากมันยังไม่เข้มแข็งมันยังรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกปรุงแต่งรู้สึกไม่สบายอยู่ก็ต้องทํามันเรื่อยไปนะมันไม่มีทางอื่นเนี่ยพระพุทธเจาได้บอกเอกา ย, ยานะเอกา ย, ยา น, นุไม่มีทางอื่นเลยนะทํำทังนี้เท่านั้นแหละที่ทำเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันเอากายมาดูใจอใจมาดูกาย ดูกันไปดูกันมาอย่างนี้แล้วจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นเองนะนันบอกว่าเหมือนในช่างสอนดัดลูกศรดัดเรื่อยๆดัดให้มันตรงดัดให้มันแข็งฮะเรื่องมันก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นในความหมายของคําว่าวัตถุปรมามัตดอาการที่หลวงพ่อเทีพูดถึงก็หมายถึงย่อธรรมะทุกส่วนเหลือสามอย่างสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหลายเรื่อวัตถุสิ่งที่เป็นการเป็นสมุทัยความทุกข์ของ กายก็ดีของจิตก็ดีเรียกว่าอาการการที่เขไปดับไปแก้ไปไขไปปดไปเปลืองให้มันหายจากทุกข์หายจากสมุทัยนั้นก็เรียกว่าปรมาิตเพราะนั้นเราก็มาสร้างตัวปรมาจิตคือสร้างตัวรู้ตัวนี้รู้กายรู้ใจให้รู้ให้สบายรู้แล้วก็สบายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวรู้เนี่ยใช้อีกมากใช้อีกเยอะ มันลำพังทีเราจะมานั่งรีธีดวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วไม่พอ <c oughs> มันจะต้องเอาไปทําในอ e ีบทเล็กอ e ีบุน้อยในการทํางานตลอดเวลาเลยมันถึงจะพอนะนั้นั่นการเจริญสติจึงต้องทําให้เป็นนิสัยนะมันถึงจะผลกันได้แต่ถ้าตราบใดการเจริญสติยังไม่เป็นนิสัยนะมันก็ยังไม่พอนะนะเพราะอะไรเพราะเราคิดเป็นนิสัยก็ต้องรู้เป็นนิสัยนะเพราะอย่างหนึ่งมัน เมาอยู่กับความคิดอารมณ์ยเป็นี้ใสแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวรู้ป็นี้ใสมันจะทันกันได้ไงนะถ้าหากว่าเราคิดทั้งวีทั้งวันแล้วมันจะเลยสติซะหน่อยหนึ่งยังไงมันก็ไม่ทันกันไม่รู้อย่างว่ามันคิดมันนึกทั้งวันก็ต้องรู้ทั้งวันเอาให้รู้แต่ละเวลาเอาให้มันทันกันต้องขนาดนั้นนะเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทาให้มันพอกันทาให้มันสมดุลกัน เพราะนั ม, นมนชิมาดีทานไม่ใช่ความหมายธรรมดาไม่ใช่ทางสายกลางเรียกว่าให้มันพอๆกันหลยนะไฟเท่าไหร่น้าก็ต้องเท่านั้นร้อนเท่าไหร่เย็นก็ต้องเท่านั้นมืดเท่าไหร่สว่างก็ต้องเท่านั้นคิดมากเท่าไหร่ต้องรู้ทันเท่านั้นนี่เรียกว่าสมดุลเรียกัมชิมาไปดีกว่า